ก็เชื่อได้วันก็อย่าเสียดายลงระเบิดทิ้งหน้าก็อย่าเสียดายถือศาสนาอื่นก็อย่าเสียดายถืออยู่ยงคงก็เป็นอย่าเสียดายถือเลื่องดียามลีอย่าเสียดายถือนัดเทืออื่นนอกจากพุทธศาสนาไม่ใช่ได้อยา ก, กจองเวรท่านผู้ใดหกดอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวรมึงเถอะไม่มีถ้าเคยทําผิด เขามาแต่ชาติกนก็ให้แล้วกันไปสักถ้าเขามาขอใหม่ก็ให้แล้วกันไปสักเราจะไม่ทองเวรท่านผู้ใดนั่นคือภูมิพระโสดาบันจะภาวนาตลอดรุ่งตลอดข่ขําก็ตามจะอดอาหารเป็นคุมผมคุ้มขนหล่นก็าตามถ้ายังเชียอได้อยากลงละเมิดศีลห้าเชียอได้อยากจะถือาศาสนาอื่นอยู่มันก็ไม่ใช่พระโสดาบัน ทำไมจึงมีโรกีมาพลเปกันก็เพระเอาศาสนาอื่นมาพนเป้กับศาสนาพุทธศาสนาพุทธนับแต่พระพจิธบานเป็นต้นไปจึงจัดเข้าในพรมจรรย์เบื้องต้นกามถึ่งพระพุทธศาสนาไม่ลำบากจะภาวนาตลอดรุ่งตลอดค่ำกอต้ามถ้าเสียดายอยากลงละเมิดศีลห้าถ้าเสียดายอยากถืออยู่ยงคงกับพัน ถ่าเทวดาอยากถือศาสดาอื่นนอกจากพระพุทธศาสนาไปแล้วมันก็ไม่ใช่พระโสดาบันเหตุนั้นจึงว่านัตเมสระังมันยังส ร, รณะอื่นของเราไม่มีพ ร, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห่านั้นเป็นส ร, รณะของเราปฏิเสธแล้วแลวปฏิเสธอีกว่ายังกิจีรัตนังโลเกวิเศษีวิวิธังพุทธรัตนังพุทธสมังนติตักตมา สูตที่ประวัติโยตีรัตนะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยพระทีเสดแล้วคือพระโสดาบันผีก็ถือพรามก็ถือพุทธก็ถือไม่ใช่พระโสดาบันนะนเาขาดันโซเดาสขาดกรณีเลขก็เล่นพุทโทธเลขพุทโทธฝาพุทโธบัทพุทโธเบอร์ไม่มีเลยพระโสดาบันพุทโทธเพื่อพระเนปาลธัมโมเพื่อพระเนปาลสังโฆเพื่อพระนเนปาลดังนั้น ให้ทานรักษาศีลภาวนาก็เพื่อพ้นทุกข์ในวตฏสงสารไม่ได้ท no ําด้วยความจําเป็นไม่ได้ทําด้วยรักษาเกียรติถ้าไม่ทําเกรงว่าเขาจะติเตียนไม่ถึงอย่างนั้นเพราะดวงตาเห็นทําแล้วไม่ได้ถืออย่างนั้นทําเพื่อพ้นทุกข์ในวาัฏองสารเข้าเมตตาฝักเส้นหนึ่งก็ดีพุทโธคําเดียวก็หวังเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารไม่ใช่พุทโธหลอกกินขนมเขาพุทโธหลอกกินขนมเขาทําท่าทําทางเคร่งขัด ก็หลอกกินขนมเขาไม่ใช่พระสวสดิวันใครเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นก็ต้องมีอิสระรู้เองจึงเป็นสันทิษทิโกโลงโอเห็นเองจึงเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนคนเฉพาะใจเห็นแยบในเฉพาะใจเป็นบรลังการเคารพนับถือพุทธศาสนาไม่มีใครมาค่มเหงเรื่อมใช้เองยินดีเองเห็นเองนั่นเรียกว่าสุบจิตป น, นูเมื่อได้ทําเพื่อเอาเกียรติเอายศอะไรเลย ทำเพื่อพ้นทุกข์นวัาตาสงสารเข้าไม้ถักปักเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งให้ทานรักษาจีนภาวนาก็าตามก็หวังเพ่อพ้นทุกข์นว่าตาสงสารไม่มาเกิดแก่เก็ดตายอีกเท่านั้นมีเกตนาเดียวดิ่งในพระนิพพานเลยไม่ได้หวังปฏิบัติเอาหน้าเอาตาอันใดอันหนึ่งเลยเรียวกว่ามองเห็นฝั่งแล้วเมื่อถึงสซภะเท ป, ปโนแล้วอุชุยาย ะ, ยะสามิเกก็เปิดประตูไปในตัวนั่นเองคือประตูใจประตูสติ ประตูปัญญาไม่ใช่ประตูไม่ประตูเหล็กไปนอกเรียกว่าทัศนาเห็นเยี่ยมแล้วทัศนานุตริยะเยี่ยมปจิปทานุตริยะปฏิบัติเยี่ยมเวมุตตานุตริยะความพ้นก็เยี่ยมเยี่ยมเป็นเอกเทศพระสวสดาวันพ้นจากโรคโกรธหลงเป็นเอกเทศอย่างยายาที่จะไปสู่นระกแร่ทัพย์ติยฉานพระสวสดาวันปิดประตูแล้วคือประตูประตูความประพฤติ ปิดประตูจิตประตูใจไม่ใช่ได้ร่วงระเบิดเลยสิ่งไหนไม่ใช่ได้ร่วงระเบิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักไใจเช่นเราไม่ใช่ได้จะลงลุยจะลงลุยลุ้มหานเพลมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจเราไม่ใช่ได้อยากเอาน้ํามลายเที่ยววนทิ้งแล้วมากลื่อนกินอีกมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักทําไมจึงไม่หน่ะเพราะเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์มีแต่โทษล้วนๆคนดีทําดีได้ง่าย ความดีคนดีทำในง่ายความดีคนชั่วทำในยากความชั่วคนชั่วทำในง่ายความดีคนชั่วทำในยากค น, ช, นคชั่วคนดีทำในยากตรงกันข้ามมูดคูดมแมลงวันกินง่ายแต่มแมลงผูมแมลงพึ่งมันไม่ฝันเลยเกรสะอนดอกไม้แมลงผู้มแมลงพึ่งทำงง่ายแต่มแมลงวันก็ไม่ฝันอีกเหมือนกันระดับของใครเข้ามา แต่เราจะอยู่ระดับใดก็เป็นหน้าที่ของเราจะพิจารณาเราเองดอกบัวทีเราก็มีอยู่ทุกยุค ท, ทุกสมัยของโลกทุกการทุกเวลาด้วยดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมวดบะดอกบานก็บานเต็มภูมิคือท่านครูบาอาจารย์ท่านผู้พ้นไปแล้วดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิคือพระอนาคามีดอกตูมกว่านั่นหลุดตากว่านั้นลงมาก็คือพระสกทาคาามี ดอกพอพ่นนิดเดียวก็คือประสวดาวัยพ่นน้ำนิดเดียวดอกเสมอน้ําก็อยู่คารังคาชาแล้วก็ถือพรามว่าแล้วก็ถือเวทมนคตรคาถ า, าว่าเอดี๋ยวก็ปรารถนาในวัตถุนิยมหนักไปในทางวัตถุนิยมมากเมื่อเราปรารถนาพระนิพพานเนี่ยวัตถุนิยมมันดุงไปเอง เหมือนทิศเหนือดึงเข็มทิศขี้ไปเองเหมือนน้ำห้ยหนองคลองเหมือนมหาสมุทรทเรดึงน้ำห้อยหนองคลองบึงบางต่างๆไหลลงสู่ตนผู้ยังไม่ถึงสุภจรป น, นุก็เรียกว่าเป็นน้ำร้ายวนเป็นคนหลายใจบางทีเวลาใกล้จะตายและลึกถึงกุศลผลบุญของตนก็ไปหา ไปเกิดในกุศลพลบุญของตนไปสวรรค์บ้างไปเทวโลกบ้างหรือไปพรมโลกบ้างก็มีแต่เป็นพรมโลกีเป็นสวรรคโลกีไม่ใช่สวรรคโลกุตละหมดกําลังก็ถอนออกมาเวลาหงดกําลังก็หมดอายุไขแล้วก็ไปห้าบาปเมื่อระลึก ถ, ถึงบาปก็ไปห้าบาปก่อนวดบาปแล้วก็ไปห้าบุญส่วนพระโสดายันไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่ลมปานเวลาไหนไม่มนุษย์ก็สวรรค์ มนุษย์ก็เป็นโลกุตระมนุษย์ด้วยไม่ใช่โลกิยะมนุษย์สวรรค์ก็เป็นโลกุตระสวรรค์ด้วยถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ใจสูงด้วยเป็นผู้มีตระกูลสูงด้วยเป็นผู้มีอายุยืนด้วยเป็นผู้มีททรัพย์สินทานบริวารมากด้วยอย่างชาก็เกิดอีกเกยรชาติอย่างกลางก็เกิดอีกสามชาติอย่างเร็วที่สุดเกิดอีกชาตเดียวก็เข้าสู่มรรคฐานหรือวก็คสุริันทิงเหล่านี้ นหน้าที่ของชาวพุทธจะพิจารณาทั้งนั้นทําไมจึงอาบน้ำเพราะร่างกายสกปรกปฏิเสธไม่ได้ทําไมจึงฉันยารักษาโรคเพราะร่างกายมีโรคปฏิเสธไม่ได้ทําไมจึงปฏิบัติศีลธรรมเพราะมันมีกิเลสจริงๆจะปฏิเสธไม่ได้ทําไมจึงปฎสนาเพื่อพระนิพพานพระเกิดแก่เก็บตายมันมีจริงๆเกิดแก่เก็บตายถือว่าเป็นทุกข์ โรคโกดหลงก็ถือว่าเป็นทุกข์เหตุนั้นจึงยินดีในทางที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายจึงปฏิเสธไม่ได้ถ้าถือว่าเกิดแก่แก็บตายโรคโกดหลงเป็นทุกข์การปฏิบัติเพื่อข้นจากเกิดแก่แก็บตายและโรคโกดหลงก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันถ้าความฉลาดของตนไม่เหนือความหลงของตนก็ข้ามทะเลหลงไม่ได้ก็มีแต่กิเลสมันอยู่นี่มันก็บอกว่าไส้หันควา้าหันกำลังหนันหน้าเดินมันขึ้นฉี่คอ อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนควันชา่าควันมากมันขีคอเรามันก็ลงเป็นแต่กิเลสขีคอไม่ลงเลยถือขอถือเงาอยู่ใสห่หันขวาหาันกำลังอันบอกไปถนนสายโลกสายโกรธสายหลงอยู่คนชั่วคนนี้ออกจากความคนดีคนดีก็มาจากคนชั่วนั่นเองพระบรมศาสนาเป็นพระบรมศาล า, าก็มาจากคนชั่วนั่นเอง พูดอะไรก็เอาพระบรมศาสดามาพูดเราไม่ดีเหมือนท่านแล้วเอาพูดที่ดีมาเป็นเยี่องอย่างถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ดีเท่าท่านถ้าเราเอาคนเสมอเรามาเป็นเยี่องอย่างเราก็ต่ำกว่าเขาตั้งแสนตั้งชั้นแสนตั้งรล่านเราเอาพูดที่ท่านดีกว่าเรามาถึงขนาดนั้นเราก็ยังไม่ดีเท่าท่านเลยถ้าเราเอาคนชั่วกว่าเรามาเราก็ชั่วกว่าเขาอีกตั้งรล่านเท่าคนงัดตัดํานวนกัน เราไม่ดีเหมือนพระพุทธเจ้าเออเอาพระพุทธเจ้านั่นแหละว่าเป็นอย่างอย่างถึงเราไม่ดีเท่าองค์ท่านเราดีเพียงพันพันพกกาศเม็ดพันพรกกาศก็ยังดีกว่าไม่ดีแค่เล ย, ยระลึกได้ไม่ระลึกได้ก็ดีเพราะถึงๆพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อบรรลุธรรมะตราสงสารโดยด่วนอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเถือระลึกได้ไม่ระลึกได้ก็ดี ขอคำามาโทษอาพุทธจำสงอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพราะคนทุกข์ในวัฏฏะสงสารโดยด่วนในปัจจุบันชาตินี้เกิดลึกได้ไม่ได้ก็ดีคำบอกการถวายชีวิแตและขอคำามาโทษอาพุทธจำสงผูกขาดจองขาดอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาทเพราะคนทุกข์ในวัฏฏะสงสารโดยด่วนในปัจจุบันชาตินี้เถิดปัจจุบันชาติก็คือปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมเราดีๆนี่เองทีนี้ผู้สร้างวาระมีแก่กล้ามาแล้วต้องปริยาลานาอริจังทุกครั้งอนัตตาเป็นอารมณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ในที่ปัจจุบันไม่ใช่ว่าเราพิจารณาดินดินจึงจะมีเราพิจารณาน้ำน้าจึงจะมีเราพิจารณาไฟไฟจึงจะมีเราพิจารณาลมลมจึงจะมีมันมีก่อนเราแล้วถ้าไม่มีก่อนเราเราก็พิจารณาไม่ได้อนิจจังเขาอยู่ในก้อนเดียวกันทุกขังก็อยู่ในก้อนเดียวกันสมมติตัวอย่างยกุฏหรอลมหายใจเข้าข้างหนึ่งมีทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งะยจกันอยู่ด้วย มีทั้งความเกิดขึ้นแปรปวนและแตกสลายด้วยไม่ใช่สายไม่ใช่บุคคลด้วยเป็นแต่สักควลมหลมเห็นลมเข้าข้างหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วคือเห็นใตรักรอบหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกแต่มันช่ว่าไตรักเกิดขึ้นในก่แปรปวนและแตกสลายไม่อยู่ในอำนาจวาสนาของใครแล้หายใจข้อข้างออกออกข้างหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วพอเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตารอบหนึ่งได้ได้รลกล้วนอนิจจังได้ได้โกล้วนทุกขัง ได้ในโลกดอาา้อนัตตาจะสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเมื่อสงสไม่สงสัยในโลกทั้งปวงที่นี้ตัณหาความเทยทวทิยานในโลกท้งปวงก็เบาลงสมุทัยคือเป็นเหตุให้เกิดทุกเกิดตัณหาก็เบาลงมักก็เจริญไปในตัวนิโรธก็ทําให้แจ้งไปในตัวไม่ใช่ว่าเจริญทุกแล้วก็เจริญสมุทยัยแล้ว ก, ก็เจริญนิโรธถ้าทําอย่างนั้นมันเรียงแบบไม่ถูก เห็นทุกคณะคิดหนึ่งว่าถ้าบราเห็นสมุทัยธรรมะได้ในโรกคณะคิดหนึ่งเหมือนกันไตรชึกขาคือศีลสมาธิปัญญาตรชิกขาพระสวัสดิบาลตรชึกขาสักระคามียไตรชิกขาพระอนาคามีไตรศึกขาของพระรหันจะเอามาเทียบกันไม่ได้ปัจจุบันพระสวสดิบาลปัจจุบันสักระคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระราหันจะเอามาเทียบกันไม่ได้ปัจจุบันของพระราหันจบแล้วไม่มีกิเลสเลย วันพระสวัสวันไม่ใช่ได้ร้งระเบิดที่หน้าดังที่ว่ามาแล้วนั้นนโมแปลว่านอบน้อมนโมเบางต้นของพุทธศาสนาคือพระสวัสวันนโมเบื้องใต้ของพระพุทธศาสนาเรียกอ่าพระทารพระทหารเรียนนโมจบแล้วนอบน้อมจนมาเกิดแก่เก็บตายนอบน้อมจนไม่มีโรคไม่ปวดไม่หลงนอบน้อมจนไม่ติดอะไรในโลกทั้งปวงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปจจุบันด้วยพระสวัสดิวันนอบน้อมไม่หลงทาง ไม่ใช่ดาลงแล้วหมดทิ้งห้าไม่ใช่ดาถือศาสตราอื่นไม่ใช่ดาถืออยู่ยงคงพันนี่นอบนอมเคารพพระอนาคามีนอบนอมจนไม่มีโรคไป่มีโกรธแต่หลงขององค์ท่านมีอยู่บ้างนโมโลกีไปกล่าวตูนโมนโมเลขนโมผานโมวัดนโมเอร์นโมโรกีนโมชิบหายอ่าแต่นโมไมนชิบหายตัวของผู้ไม่รู้จักนโมนั้นชิบหายนโมไม่ชิบหายไปไหน ผู้อ่านนโมไม่ออกอันชิบหายอทําไมสุ ป, ปฏิปันโนจึงไม่ใช่ไดในดวงระเมิดสิทจึงไม่ใช่ไดในดวงละเบิดอะไรไปสมุติเพราะเห็นว่าเป็นทางชิบหายไม่มีสารอุทธรเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมพูดแต่สูงลงมาต่ำหรือพูดแต่ต่ําไปหาสูงเหมือนกล่าวขึ้นต้นไม้ขึ้นไปถึงลงมาแล้วขึ้นไปลงมาบนลงบันไดก็เหมือนกันเหมือนลมาห้ยใจเข้าออกหาจะออกแล้วก็หาจะเข้าออหายใจเข้าแล้วหายใ จ, ยจออก หายใจออกข้างเดียวครบไตสิศขาเลยไม่ไหวแต่ไม่ต้องการหายใจเข้าข้งเดียวครบแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์เลยไม่ไหวแต่ไม่ต้องการนึกขึ้นคณะเดียวก็ครบแปดหมื่นสีพระธรรมขันธ์เลยไม่ไหวแต่ไม่ต้องการนึกขึ้นแล้วก็พูดออกมานึกขึ้นแล้วก็พูดออกมานี่คืออันนิจจังอันละเอียดนี่คือทุกขังอันละเอียดนี่คืออนัตตาอันละเอียดทสัมยุทธกันอยู่ชีวิที่ เ, เกิดดับหายละวาไม่ได้ อันนี้จังทุกครั้งอนัตตก็หาระหว่างไม่ได้พระเนพานไม่เกิดไม่ดับหาระหว่างไม่ได้พระเนพานก็เป็นจริงพระเนพานสังขารก็เป็นจริงตามสังขารไม่มีใครไปยึดไปถือเอาเป็นเจ้าของพระองเราก็ศาสนาจึงสั่งสอนว่าเรารู้พระเนพานตามเป็นจริงของพระเนพานเรารู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารแต่เราไม่ติดอยู่ในสังขารด้วยแต่เราไม่ติดอยู่ในพระเนพานด้วยถ้าเราติดอยู่ในพระเนพานก็เรียกว่าเราไม่รู้พระเนพาน เราไม่ติดอยู่ในภารในานเรารู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรู้พ้ตามเป็นจริงถอนอุปราทอยู่ในตัวด้วยเราวรู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารแต่เราไม่ติดอยู่ในสังขารเรารู้สมุติตามเป็นจริงของสมุติแต่เราไม่ติดอยู่ในสมุติแต่เราติดอยู่ในสมุติเราูมุติตามเป็นจริงของมิมุติแต่เราไม่ติดอยู่ในมิมุติเรารู้อดีตตามเป็นจริงของอดีตรู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตรู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่ไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามถ้าเราติดอยู่เงื่อนใดเงื่อนหนึ่งเขาเรียกว่าเรราาไมูู่้ออดีตตนค ปัจจุบันเหมือนกันทําชั้นสูงของพุทธศาสนาพระบรมมัสกาสนาประเทศพระพาหยะพระพาหิยะบอกว่านี่มนว่าข้าพระองค์ทรงพระมหากรุณาเทศข้าพระองค์ด้วยเออเรากําลังวินทบาทอยู่อย่ามวุ่นเราเลยไม่เป็นคนะที่เราสมาเทศในเวลานี้เออบางทีพระบร ม, มาศาสนามตระภาพลงแล้วนี่ก็ได้บางทีกับผม ไม่ได้นับภาพลงเดียวนี้ก็ได้นะพระเจ้าข้าในที่ว่านี่ไม่ได้หมายความว่าพระบระมาศาสตราไม่ทราบพระบระมาศาสตราคัดคาดเพื่อให้เก้าอธิบายเพราะต้องการให้พระเรานี่ฟังพอพระตามหลังก็มีเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากไม่ใช่ฟังให้ดีเนอะเป็นแต่สักว่ารูปเป็นแต่สักว่าเห็นครับพอแล้วทําไมยังเป็นอย่างนั้น ก็พระบราลมีเ ก, ก๋ามาแต่ชาติก่อนแล้วตั้งแต่พักบันไดทิ้งข้างพระเจ้ากษัตบิย์พักบันไดทิ้งซะพวกเราใครดีก็ไปเป็นถบาทมาช่วยมาเลียกกันใครไม่ไดีก็ตายอยู่นี่น่ะพวกเราถ้าภาวนาเพ้นทุกพวกหนึ่งก็เป็นพระทหารพวกหนึ่งก็ไปเป็นพระอนาคามีส่วนของท่านก็ไปเป็นพมโรกโล ก, โลกีหมดอายุขไขแล้วก็มาเกิดศาสนาของพระ สมาธพระพุทธเจ้าของเราพอบาดคาถาเดียวก็เลยสําเร็จพระานัลวิปเพสะกตาปุญญตามุขคนผู้ได้ทําความดีไว้ในบางก่อนนะแต่ฉาดในพระเจ้าไม่ทาสีด้วยเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นครับพอแล้วเป็นแต่สักวารู้เป็นแต่สักว่าเห็นพระอะไรพระไม่ยึดถือผู้รู้ผู้เห็นเพราะชักผู้รู้ผู้เห็นลงสู่อนัตตาต่ำเป็นแต่สักวารูปเป็นแต่สักว่าเห็นเนอะไม่ยึดถือผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้รู้ ไม่ยึดถือว่าผู้กมีในเราเราเรามีในผู้ลูกอภิชาตัญหาอุปทานก็แตะ ก, ก็เจิงในที่นั่นก็ไม่ยึดถือสิ่งใดใดในโลกเป็นแต่สักผู้ลูกเป็นแต่สักว่าเห็นก็สาเร็จพระสารแต่ฉาในปฏิสัมภิทาสีด้วยเรียกว่าอธิบายความย่อให้พิสดารได้เห็นนั้นจึงว่าทําแต่ละวัะบาตรส่งต่อพระนิพพานหมดมันขึ้นอยู่กับผู้บาลามีแก่กล้ามาแล้วเช่นนโมก็ส่งต่อพระนิพพานหมด นโมแปลว่าน อ, นอบนอบไม่มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายนอบนอ บ, นอบจนไม่มีกิเลสพุทธทางสาานางคชาติถึงใจสนาคมคมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายคงจนไม่มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายนั่นใจสนาคมพระทหารเรียนจบแล้วพระทหารเขาเรียนนโมจบแล้วแต่นโมโลกีนโมพรจฉวะดับันนโมสัคขาคามีนโมพระาา น, นระราคามี Wed. เป็นนมโมโลกุตระทั้งนั้นตามก่อนนั้นลงมาเป็นโลกีอะไรก็เหมือ น, นกันหมด พุทโธคำเดียวก็ส่งต่อพระญานพาน์เหมือนกันพุทโธไปพามาเกิดมาแก่มาแก็บมาตายท่าโมสงไว้ซึ่งไม่มาเกิดมาแก่มาเก็มาตายสังโฆปฏิบัติเพื่อไม่มาเกิดมาแก่มาเก็มาตายอธิบายที่พัฒนาร่วมได้เหมือนกันบางท่านก็ละโชละนางละชังฮารติละโชละนางละชังฮารติมันก็น่าจะเป็นวรรคํารมภาวนาแต่แตกฉาเนี่ยไปทำวิทาสีแเล่าละโชละนางละชังฮารติละโชละนางละชังฮารติ ก็น่าจะเป็นมรดกกรรมพอนะแต่ไม่เป็นเสียแล้วแต่ฉาวเน็ตไปสัมมิซาสีค้นจากเกด ท, ทั้งพวงไปนะทำใจไล้วัฏบาณส่งต่อพระนิพพานหมดเช่นพระบรมศาสลาไปเทศดูที่ถ้าสุกละขาตาข้างพวกเขาคิจดจะโกดที่คณะาอักขิเวสนาโคไปฟังสําเร็จพระสวาาัสดิ์ไปส่วนพระสาทิบุตร ท, ทางานาพัดอยู่ข้างหลังสําเร็จตระหลานไปแล้ว่ะผินหลัง พิหลังใส่พระสารีบุตรก็ทํางานพัดอยู่ข้างหลังพงศ์ทีคณะขาก็อยู่ข้างหน้าที่คณะขะได้พระโสดามันส่วนพระสารีบุตรเอาพระทหารไปกินแล้วนั่งอยู่ข้างหลังทํางานพัดอยู่อย่างนี้พระบารมีแก่ข้าเพียกันนะคนไ ม, ม้คนหมูก็พะกว่พวกของชาวโลกตั้งขึ้นมามองดูคาํษษษาสอนพะุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเช่นส่งเสริมอบา ย, ยมุขมันก็ไปไม่รอดอบา ย, ยมุข กับไฟเผาโลกก็มีความหมายอันเดียวกันธรรมยุตตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแต่งตุกสิ่งนี้เป็นเหตุแต่งทุกข์แ้ท่านยุตตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุกเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์นผลแห่อันนี้อันนี้เป็นภูมิของพระธวิธรรมภูมิของพระอรหันต์เป็นภูมิหนึ่งอิจตาภูมิของพระอนาคามีไม่ใช่ไายอยากจักส่งเสริมกามววิตกกามั่ววิตกไม่มีในใจของท่านถ้าไม่ส่งเสริมกามววิตก ความตรึกในทางกามหรือความตรึกความส่งเสริมทางกามอารมณ์พยาวิบวิบากวิตกความอารมณ์ของท่านไม่ส่งเสริมในพ ย, พยาบาทไม่มีเลยวิหีนสาวิตกความตรึกในทางเวียนเวียนขององค์ท่านก็ไม่มีพระท่านไม่ใช่ได้อยากตึกเลยสิ่งใดไม่ใช่ได้ก็เป็นของทําง่ายสิ่งใดใช่ดายทํามันก็เป็นของยากทําไมพวกมนุษย์ทั้งหลายจึงไม่เห็นโทษในอบา ย, ยมุก ก็เพราะจิตยังํำอยู่เพราะบารมียังอ่อนจำเป็นก็เห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัวเห็นเจ้าหัวก็ไปผูกเอาเลขเ <c oughs> มือนหบอเห็นเจ้าหัวก็ไปผูกเอาเลขกันถ้าว่าเป็นสามก็กายวายกายใจปฏิยบก็ยัดเข้ากายวายายใจปฏิบัติก็ปฏิบัติเข้ากายวายายใจปฏิเวทก็คือผลของปฏิบัติกายวายกายใจนี่ย่ยนลงเป็นสาม ถ้ายเป็นสองก็กายกับใจถ้ายดลงเป็นหนึ่งก็ใจมโนภพังขมาธรรมามโนเศรษ้ามโนมยะทำทั้งหลายมีใจเป็นไจนอกจากใจก็ไม่มีอันไรจะรู้เท่าใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไรจะหลงใจใจเท่านั้นหลงใจใจเท่านั้นรู้ใจใจรู้ใจตอนไหนใจก็รู้ธรรมตอนนั้นใจหลงใจตอนไหนใจก็หลงธรรมตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างย้อนลงมาหาใจทนี่เอกนิบาศนี่บาศก็คือมีบทเดียว ศีลจัดถิลงที่ใจสมาธิตั้งมั่นลงในที่ใจปัญญารอบรู้ลงในที่ใจย่นศีลสมาธิปัญญาลงที่ใจแล้วเนี่ฉันทะพอใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียรมาประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้กิตตะเอาใจฟักไปในกรรมฐานที่ตั้งไว้มิมังสาวันติตองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณที่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอชักนำโมคุลในถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งมีเหลือวิสัยนั่นนั่นศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียรมาประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ สติและรู้ชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมัน่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ดกรงศินสมาธิปัญญาก็รวมพลอยู่ที่แห่งเดียวที่เราตั้งไว้นั่นเองเอา้าพระธรรมชาตชาิทุติยชาติทัติยชาติตุติยชาติก็ดีชานิตั้งปวงชาตังแปลว่าเพ่งอยู่สมาธิทิงแปลว่าตั้งมั่นในการเพง่งมดกําลังก็ถอนออกมาก็อยู่ใต้อํานาจอนิจจังอนละเอียดใช่หรือไม่ ถ้าตายคาภาวนาตายคาภาวนาปทมชานก็ไปเกิดพมโรคเหมือนกันตายคาภาวนาเจตุชานก็ไปเกิดพ ม, มโรคตายค า, า, า, า, า, า, าอารุปรชานสี่ก็ไปเกิดอรุปรพมมืออายุยืนแปดหมืนสี่พันกับถึงอย่างนั้นก็ยังไม่พ้นทุกข์เพราะแม่พิจารณาอานิจจังตุกขังอนัตตาเพราะเข้าใจว่าชานอ น, นั้นเป็นของเที่ยงแต่หมดกําลังก็หมดออกมาแต่ต้องทําให้เป็นเหมือนกัน เรื่องนิมิตทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปนิมิตเดือนดา ว, หวเหาะเหินเดินในอากาศน่ะเราก็ผ่านมาตั้งแต่ออกปฏิบัติที่แรกเดินจงกรมในอากาศตีรังกาในอากาศเหาะไปในอากาศเตียงเหาะขึ้นคลิกความพลิกหายชาราพัฒหมดกำลังก็ถอนออกมาก็คืออนิจจงอันละเอียบนั่นเองถ้าตายคานั้นก็ไปเกิดภพมโลกยังไม่พ้นทุกข์ นกพาวนาบางทีภูเขาทะลุเลยเขาก็บอกว่าภูเขาทะลุมันก็หัวเตะเฮ้ถ้าจะไปชนภูเขาเออต้นภาวนาไม่ได้เจออย่างนั้นนิสัยไปไปอย่างนั้นมันก็ไม่เชื่อล่ะคําว่าร่องไปตามภูเขาก็หมายความว่าเวลามันเกิดแสงสว่างขึ้นมันก็ทะลุภูเขาไปแล้วก็เหาะไปตามมั้นไม่ต้องชนมัน เพราะไปตามแสงถลางตว่างทะุภูเขาแต่ว่ากําลังมันก็ถอนออกมาเพราะมันเป็นอุปจาและสมาธิไม่ใช่อัปนาสมาธิอัปนาสมาธิมันลงไปเงียบเลยไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรแต่เวลามันออกมามันก็เห็นกรรมฐานเดิมที่เราเข้าไปทิษที่รวมมีอยู่หลายอ่ะรวมแบบหนึ่งไม่ได้ยินเสียงรวมแบบหนึ่งได้ยินเสียงอยู่น้อมเสียงลงมาสูอันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นนิมิตน้อมนิมิตลงมาสูอันนี้จังทุกขังอนัตตา แบบหนึ่งเงียบเข้าไปเลยหมดกําลังก็ถอนออกมาถอนออกมาก็มาเห็นลมหายใจเข้าออกเบาๆเพราะเราเข้าไปแบบไหนมันก็ออกมาเห็นแบบนั้นเหมือนเราเปิดประตูแอไปเวลาออกมาก็แอปเหมือนกันอ่าไม่หลายอย่างต้องเจ อ, ต, อ, เจอต้องเจอหมดเสียก่อนจึงเชื่อถ้าไม่เจอไม่เจ อ, เจอก่อนมันก็ไม่พอใจพิจารณาอา น, นิจังทุกครั้งนั่นแหละตาเมื่อมันเห็นนิมิตทั้งหลายเข้าไปอยู่อย่างนั้นหมดกําลังออกมาแม่นิโรธสมาบัติก็อยู่ใต้อํานาจอานิจังเหมือนกัน หมดกําลังมาถอนออกมาก็ต้องน้อมลงสู่ใจรักเหมือนกันอา น, นิจังทุกขัง อ, น, อ น, นัตตาอานิจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นจะพาให้สับช่างหลายเบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายความหลงของตนเหตุนั้นขบหลวงมศาสนาจึงภาวนาอา น, นิจังดึงสอนเทศอา น, นิจังทุกขังอนัตตาธรรมะโนโชภะควาเอวังวะคุณลังทาบวะเกวินิติเอวังภาก迦จะวินิจจะภะควาตูทราบะเกสุอนุชาสเนวะหุรัตประวัติ บาหระปวัตติรูปังอนิจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังคารานิจาาาจาวิญญาณังอนิจังรูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญ า, า อ, อนัตตาสั้งคารานัตตาวิญญาณังอนัตตาสเมษทั้งคารานิจจาสเมธรมมานัตติพระบรมศ า, าสนารองพระชนมายุอยู่เทศอนิจังทุกขรังอนัตตามากกว่าเพื่อนเพราะเป็นนญญิยายนิกระทำนำสัตว์ทั้งหลายให้เบื่อใ ห, ให้หนายความหลงของตนที่เคยหลงว่าเป็นของเที่ยงเคยหลงว่าเป็นของสุขเคยหลงว่าเป็นของตัวตนเคยหลงว่าเป็นของสวยของงาม ถ้ามาหลงมาเป็นของเที่ยงไม่หลงมาเป็นของสุขไม่หลงเป็นของตัวตนว่าไม่หลงมาเป็นของสวยของงามมันก็ข้ามทะเลหลงไปแล้วนี่มันยังไกลอยู่คือท่านบางท่านกับพิจนาอานตาอันเดียวเป็นตาสักวรูปเป็นแต่สัก้วเห็นดังที่ว่ามาแนวนั่นเองเพราะไม่ยึดถือสิ่งใดใดในโลกมันก็ข้ามทะเลหลงไปแล้วนะยน่นลงมาแต่ประทุกยน่นลงมาหฮะเจเอกระทุก สัพพะอนิจังย่นลงมาหาเอกะอนิจังในปัจจุบันสัพพทุกย่นลงมาหาเอกะทุกในปัจจุบันสัพสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนมีมากมายหลายรุ่นก็ย่อนลงมาหาเอกะอนัตตาสักนั่นตกลงก็กลมกลืนกันอยู่ไม่ใช่ว่าอนิจังอยู่ที่นี่ทุกขังอยู่ที่นี่อนัตตาอยู่ที่นี่ไม่ใช่อันนั้นมันอยู่กลงเกลืนกันในคณะเดียวเช่นครับพูดนี่ก็มีทั้งอนิจังทุกขังอนัตตากลมเกลืนกันอยู่ด้วยเพราะล่วงไปตามอําเภอใจเพราะไม่เที่ยงไปตามอําเภอใจเพราะไม่ใช่ตัวตนตามอําเภอใจล่วงไไปป่วง ไตรสิขาอยู่ที่ใดคณะกิจหนึ่งเขเห็นไตรสิขาครบแล้วทําแต่ละวราระบาตรครบไตรสิขาเกิดสีสมาธิปัญญาด้วยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้รู้มันก็ขึ้นอยู่กับกผู้จํา่างจับหนังก็ถูกเนื้อถูกกระดูกเหมือนกันเช่นเราภาวนาพุทโธอย่างนี้ธรรมโมก็อยู่ในที่นั้นพุทโธแปลผู้รู้ระบาบรบัมเพ็ินบุญธรรมโมทรงไว้ซึ่งระบาบรบัมเพ็ินบุญสังโฆปฏิบัติเพื่อระบาบรบัมเพ็ินบุญไอันที่แท้ก็อยู่ด้วยกันค่ายอนเนียพัดครับ เราจะพูดกันว่าเคยเห็นหน้ากันอยู่อันที่แท้ก็เห็นตาเห็นจมูกใช่ไหมนั่นแต่เราไม่พานนาเราพูดอักษรน่อเราจะว่าสังโฆก็ถูกธรรมโมพุทโธอยู่ในตัวเพราะสัมพยุสกันอยู่เป็นเชือกสามเสียวอยู่ที่รวางใจมันอยู่ในที่อื่นเอาไว้ที่อื่นที่ยิ่งตื่นไม่พบจะหาเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจจะไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้หาถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้ไม่เห็นเพราะใจเป็นผู้เห็น นอกนันอื่นๆไม่มีใครมาเห็นด้วยหนะใจมีคุณเป็นทหารแต่ก็มีโทษเป็นอ น, นันเหตุ น, นั้นพระบรมศาสน า, าจึงมายืนยันรูปจิตเจตสิกนิพพานยิตใจถ้าทําถูกก็เป็นหุนทางเข้าสู่พระนิพพานถ้าทําผิดก็ลงสู่นรกถ้าทำผิดบ่อยๆถ้าทําถูกบ่อยๆก็เป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานเหชุฉันจึงบัญญัติว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานไม่บัญญัติว่าใจเป็นพระนิพพาน ใจเป็ น, นทนตาเข้าสู่พระานรวมศีลสมาธิปัญญาลงมาที่ใจเป็นทางเดินเมื่อถึงแล้วก็ไม่ได้เอาใจไปพระนพานด้วยคือพระทหารตายไปแล้วเอาใจไปไหมไม่ได้เอาไปเป็นธรรมอนันไม่เกิดไม่ดับเฉยๆพระทหารที่มีชีวิตอยู่ก็ใช่ใจอยู่แต่ว่าใจของท่านไม่มีกิเลสพระทหารรักษาจิตหรือไม่ไม่ได้รักษาจิตเพราะจิตไม่มีโทษถ้าพระทหารรักษาจิตก็พระทหารก็เป็นคนคุมนักโทษใช่ไหม เพาเกรงว่านักโทษจะฆ่าตัวด้วยเกรงว่านักโทษจะรักหนีด้วยก็ระวังอยู่ก็เป็นทุกข์ตายใช่ไหมนั <c> ่น <oughs> เหตุนั้นพระทหารท่านผู้พ้นไปแล้วท่านจึงไม่รักษาจิตของท่านเพราะจิตของท่านไม่มีโทษแต่พวกเรายังไม่พ้นไม่รักษามันก็ผิดจริงๆใช่ไหมนั <c> ่น <oughs> มีเฉื้อนหน้ามันยังคำ่ำก็ไม่มีรอยนกเป็นอากาศมันยังคำ่ำก็ไม่มีแผลก็ก็ไม่มีรอยอีกเหมือนกันเพราะท่านไม่รักษาจิตของท่าน ความคิดของท่านมันถูกแล้วท่านไม่ระแวงจิตของท่านไว้กูจะทํำยังไงจิตกูจึงจะดีกว่าก่อนท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นเพราะท่านไปถือมันในจิตแล้วจิตเป็นแต่สักว่าจิตผู้รู้เป็นแต่สักว่าผู้รู้ท่านก็ปล่อยวางไปในตัวแล้วบางท่านก็บอกว่าปล่อยวางปล่อยวางอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเห็นว่าสิ่งใดไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นมันปล่อยวางเองมันเหมือนเราลับตาเข้าอย่างนี้เราเมื่อเราลืมขึ้นตาก็ดีแสงสว่างก็มี แ้วไม่สมมติปล่อยมืดมันปล่อยเองมันใช่ไหมแล้วรับตาเข้าแล้วไม่สมมติว่าเอามือดมามันมาเองมันใช่ไหมแล้วเราลืมตาขาึ้นมืดเอ๋ยเธอจงหนีไปซ่าข้ามเงินลืมตามาแล้วไม่ได้ว่ามันหนีเองมันปล่อยว่างปล่อยว่างถ้ารู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วมันปล่อยเองมันไม่ต้องทํากิริยาปล่อยที่ท่านบอกว่าทํากิริยาปล่อยเพื่อให้เราให้ผู้ฟังเข้าใจชัดเพื่อให้ชวนคิดเพื่อให้ชวนทํา เมื่อควนคิดควนทําแล้วเมื่อเรารู้เท่าแล้วมันต่อยเองมันที่นี่มัดผลเน่ยอยู่ไม่อยู่ห่างกันพอละพอเก้าเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเห็นไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุสงสัยผลก็สงสัยเหตุไม่สงสัยผลก็ไม่สงสัยเหตุรับตาผลก็มือเหตุลืมตาผลก็เห็นนั่นไม่อยู่ห่างกันพอเก้านั่นนะเห็นนั่นอยากจะยืนยันว่ามัดผลเนี่ยผ่านมันหายไปไหนเอง มักก็มักเหตุพืชกรรมส่งข้อกันเข้าได้ผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมก็ส่งข้อกันเข้าได้ส่วนไปทางดีทางชั่วแลี่ยแต่เหตุพืชกรรมเป็นประมาณ <c oughs> เมื่อสร้างเหตุพืชกรรมลงแล้วผลไม่ต้องประสงค์ก็ได้รับตามส่วนคนค่าของเหตุพืชกรรมนั้นๆเราหลงไปหลุมฐานเพิงเหตุหลงผลก็หลงเหมือนรรกันกร้อนเหมือนกันใช่ไหยนั่นเหตุเบียดเบียนผลก็เบียดเบียนเหตุเมตตาผลก็เมตตาก็มาหาตัว เหตโกรธผลก็โกรธมาในปัจจุบันทุกนี้จึงจะมามันก็ไม่มาเหตุรู้ตามเป็นจริงผลก็รู้ตามเป็นจริงเป็นตอนไปจนถึงที่สุดทุกหน่ดยชอบรวมลงรวมปัจจุบันลงให้เท่าปลายเข็มโลกยัดเยียดถึงขนาดนั้นสังขารยัดเยียดถึงขนาดนั้นเนียไม่สาคัญตัวอยู่ในที่ผู้รู้นั้นมันก็ข้ามทะเลหลงไปแล้วนายรู ป, น, รป น, านายเวทนาสัญญาสังขารเวียนญาณ น, นั้นพูดท่านพูดเป็นบุคนาทิฏฐาน นายผู้ไปหลงว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาอันนั้นถูกนล่วนายรูปนายเวทนานายตานายหูนายจมูกนายลิ้นอันนั้นพูดเป็นบุคลาภิษฐานนายผู้ไปหลงตาว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตท์เป็นบุคคลนายผู้ไปหลงหูนายเป็นนายผู้ไปหลงจมูกเลี่ยนกายใจว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาแม่นัตเสมิงเป็นที่บินทตินายใจทรรมเมสุเป็นนี่บินทตินายทำได้นายผู้ไปหลงว่าใจเป็นตนตนเป็นใจ ทำเป็นตนตนเป็นธรรมทำก็เป็นแต่สักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นธรรมานุพัสสนากายก็ดีเวศนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีพิจารณาลงสู่อนัตตาทางนั้นกายก็พิสักว่ากายไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุพัสสนาเวสานาคยอ ส, คสุขไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ ว, มว่าเวสนานี้ยพิสักว่าเวสนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเแยกเวสนานุปัสสนาพิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่าใจนี้ยพิสักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เป็นเพียงกิจตานุปัฏฐานที่จะทำที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทำนี้ก็สักว่าทําไม่ใช่สักบุกคนตัวตนเราเขาเป็นเพียงสัมมาอนุปัฏนานอันนี้ขยายออกเป็นสี่นี่ที่ย่อสีลงมาเป็นหนึ่งก็เป็นตสักวารูปเป็นตสักว่าเห็นอดีตคืออะไรคือเป็นตาสักวารูปเป็นตสักวเห็นที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือเป็นตสักวารูปเป็นตสักว่าเห็นที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันก็เป็นตสักวารูปเป็นตาสักวเห็นที่กําลังเป็นอยู่นั่นนั่นนั่นนั่นนั่น เนี่ยใครเป็นเจ้าของก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของก็ล่วงไปล่วงไปใครไหมนั่งนั่นั่งนั่งให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามจริงเนี่ยฐานภูตังสัมมัาปา ญ, ญาทัศพังท่านทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิดพระบรมศรารรัสษณ์ทำแต่และวระบารตรสงต่อพระเนตรพานหมดทำจะมีมากเท่าไรก็ตามจะพูดตามเป็นจริงของกินตะกเวียให้เขื่องเพื่อให้แพ้ละในเชิงกราบก็ตามถ้าไม่มีความเบื่อหน่ายคลายเมาในวันตั้งสารแล้ว ก็เท่าพาสิตเดียวไม่ได้พระบรมศาสดาปฏิบัติเพื่อบรทุกในวัตฏะสงสารปัญหาไม่มากทําไมจึงปฏิบัติเพื่อบรทุกในวัฏฏะสงศารเห็นยังไงจึงพูดอย่างนั้นเพราะเห็นว่าวัฏฏะสงสารจะไปด้วยกองทุกข์หมดแล้วไม่มีสารอุทธรเลยเหตุฉะนั้นจึงไม่ยินดีในโลกทั้งพวงเธอทั้งหลายอย่ายินดีในโลกทั้งพวงเถิดพระบรมศาสดาผู้ใดยินดีในโลกทั้ทงปวงพูดนั้นลินดีในหลุมฐานเพลิงนั่นเอง นั่นยินดีในความหลงของตอนนั่นเองพระบรมศาสดาเครจะฉลาดเฉลียวสักเพียงไหนก็าตามถ้ายัางไม่มียาว่าพ้นทุกในวัฏสงสารความสําคัญตัวว่าฉลาดอันนั่นจะโง่เต็มพุงพระบรมศาสดาสอนไปอีกัใครจะพูดจนน้ําไหลไฟดับสักเพียงไหนก็าตามก็เหลียมก้างของเราตถาคตนั่นเองเราตถาคตพูดมาแล้วใครจะส้คัวะคันตัวว่าฉลาดสักเพียงไหนก็าตามก็เรียมก้างเราตถาคตนั่นเองเรา อธิบายก่อนพวกเธอทั้งหลายเลยเธอทั้งหลายอย่าสำคัญตัวเน้อพรบรมสา ร, ร, รดา่าจะพูดจนน้าไหลไฟดับก็าตามก็เลี้ยงก้างของท่านนั่นเองเหตุฉะนั้นคุณของ พ, พระพุทธธรรมเป็นอนัตตาคุณอันไม่เกิดไม่ดับไม่มีประมาณด้วยจะย่อดลงมาเป็นเอกคุณในปัจจุบันก็ไม่มีที่วางจะย่อดลงมาเป็นลิสุตที่คุณปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณก็าตาก็ไม่มีที่วางจะขยายออกก็ไม่มีที่ขยายไปเพราะมากมายนะัก จะจะเลือ่อนถึงอยู่กี่กับกี่กันก็ไม่จกเป็นภาษาเดียบุตรเออเธอมีปัญญามากเธอก็ต้องเห็นมากสิผู้มีปัญญาน้อยก็เห็นหน้อยผู้มีสายตายาวก็มองเห็นไกลผู้มีเชือกสั้นก็ถึงได้ใกล้พระบรมศาสีรเธอเป็นผู้มีปัญญามากกว่าเพื่อนเธอก็ต้องเห็นมากสิสาธิบุตรแต่เมื่อเธอเห็นแล้วเธอก็ไม่ยึดมัน่นถือมันก็ปล่อยวางอยู่กับที่นั่นเองเป็นแต่สักว่าเห็นเป็นแต่สักว่ารู้นะ แล้พูดแต่ละวัระบาตมันล่วงไปล่วงไปล่วงไปนึกแต่ละวัตแต่ละวัตรมันก็ ล, ล่วงไปล่วงไปล่วงไปเหมือนน้าไหลอันหนึ่งไหลมาอันหนึ่งก็ไหลไปอันหนึ่งไหลมาอันนึ่ก็ไหลไปอยู่ไม่ไม่แห้งเลยเหมือนแม่แม่น้าโขงอันหนึ่งไหลมาอันหนึ่งไหลไปรู้ตามเป็นจริงปัจจุบันตามเป็นจริงลดพ้นตามเป็นจริงสักพระมศาสดาทัศนานุตริยะความเห็นเยี่ยมปฏิปทานุตริยะปฏิบัติเยี่ยมมิมุตานุตริยะพ้นเยี่ยมสักพระมศาสดาเห็นเยี่ยมในปัจจุบันปฏิบัติเยี่ยมในปัจุบบััน ปัจจุบนจิตปัจจันธรรมปัจจุบันชาติเขาคือปัจจุบันจิตปัจจบันธรรมนั่นเองผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่ง่นแย้มคอนเคลนอะไะผู้ไม่เห็นธรรมในปัจจุบันพระพุทธเจ้าสีและล้า น, านพระองค์ก็ฟังไม่ออกเพราะเหตุใดเพราะกรรมยังอ่อนอยู่เพราะวาสนาบา ร, รมียังสร้างอ่อนอยู่เหตุ น, นั้นทำแต่ทวัตบาทจึงส่งต่อพระญานิพานหมดมันขึ้นอยู่กับบา ร, รมีแก่ข้ามาแล้ว กันเทศกันเดียวคนหนึ่งไปฟังลงนรกคนหนึ่งไปฟังโสดาวันคนหนึ่งไปฟังสักราคาามีคนหนึ่งไปฟังอนาคาามีคนหนึ่งไปฟังสัาามนนสเด็จพระหันคนหนึ่งไปฟังปาถนาเป็นพระปเจปาถนาเป็นสมณพระธิเกพราะมันไม่อยู่ในระดับเดียวกันบางคนคนก็เห็นว่าเออทําไมปูงามแทะนี่ก็มาสุดเทียนแทะนั้นบางคนเข้ามาเห็นจกงามจะสวยสักเทียงไหนก็ออกมาจากท่าดินแล้วก็ตอบอย่างนี้ท่นี่ ผู้ที่เขามีปัญญาผู้ไม่มีปัญญาก็เพ่งโทษกันเออปูสวยปูงามแท่งงามหลือสวยมันก็มาอาออกจากธาตุดินแล้วก็จะแตกสลายลงไปเป็นดินผู้เขามีปัญญาเขาก็พิจารณาอย่างนั้นผู้ไม่มีปัญญาก็พวกไปแบบหนึง่งลูกปูลูกปูลูกปูคออาวัดสวยแท่งจะไม่เป็นเปรตมาเฝ้าอยู่นี่หรือมันสวยที่ไหนวัดมันมีแต่ธาตุดินน้ําไฟลมมันแตกกระเจิงเป็นสวรรค์หกชั้นก็ดีมันสวยกว่านี่แก้วทองทั้งนั้น วิมานทองวิมานแก้วแกวทั้งนั้นมันก็แตกสลายเป็นมันอยู่ใต้อำนาจอนนี้จังเมื่อเห็นอันนี้จังเห็นใจรักชัดแล้วมันก็ไม่สงสัยเมื่อไม่เห็นใตจรักแล้วมันก็สงสัยโรคทั้งปวงผู้ทวยสงสัยโรคทั้งปวงก็คือไม่ชัดในใจรักนั่นเองไม่เป็นตรักขาสิทธิเห็นความกำลมให้ใจเข้าออกด้วยถ้าต้องการถ้าต้องการก็เห็นความกับคําพูดด้วยเพราะล่วงไปล่วงไปล่วงไปนั่นนั่่นใครเป็นผู้พูดก็สังขารจะกองทุกเป็นผู้พูดพระเนปพาไม่ได้มาพูดด้วย พระนิพาณมาในว่าฟังด้วยใครเป็นผู้สวยพระเนรพานก็พระนิพาณเท่านั้นสวยพระนรพานจะสังขารจะไปสวยไม่ได้พระนิพานมันก็ไม่มาแย่งสวยสังขารอีกด้วยมาแย่งสวยสังขารก็เรียกว่ามาแย่งกล้วยกับเด็กพูดเป็นองบุคลาภิษฐานเนี่ยปฏิบัติเพื่อคนทุกปัญหาแหม่มาบางคนก็ถามหลวงปู่ว่าห้องปู่หลวงปู่เออ่ดิฉันภาวนามันไม่ข้าม จิตไม่ว่าจะทํายังไงหลวงปู่เออถ้าสําคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตจิตก็ไม่ว่าถ้าไม่สําคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตจิตก็ว่างอยู่นะณที่นั่นเองไม่ต้องทํากิริยาอีกเวทนาที่ฉันก็ไม่ว่าปวดแขลงปวดขาสารพัดเออเพระบรมศาสดาไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นเวทนาเพราะเวทนามันเป็นทุกข์ถ้าสําคัญตนว่าเป็นเวทนาสําคัญว่าเวทนาเป็นตนมันก็ข้าเวทนาไม่ได้ ถ้าไปข้ามการเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาเป็นกษักร์ว่าเวทนามันก็ข้ามอยู่นะที่นั่นเองไม่ต้องทํากิจยาข้ามเราพูดแล้วพระรปรม า, าสสนะนาไม่ได้สอนให้ติดอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยอดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยัง未来 ม, มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังอยู่เป็นอยู่เดียวนี้ฟังกันอยู่เดียวนี้ร่วมกันไปอยู่เดียวนี้นั่น น, น, น, นัพูดเท่าไรก็ลองไปเท่านั้นไม่พูดก็ล่วงไปเหมือนกันแต่ไม่พูดออกฝากแต่มันพูดอยู่ข้างในใช่ไหม ชาพีพีทุกขาคำเดียวเท่านั้นะกระทบโลกหมดใครจะฟังก็ไม่ฟังก็ถูกหมดผูะชาติเป็นทุกถ้าใครมีชาติมันก็ต้องถูกหมดชราพีทุกขาตูอีกก็ถูกหมดทั่วต่างๆโลกทั้งมันนะนำพีทุกขังพีแปลว่าแม่ถูกหมดตีคําเดียวเขาจะฟังหรือไม่ฟังมันก็ถูกเพราะเขามีเกิดแก่เก็บตายทุกอยู่มันก็ถูกเหมือนกันคนตาบอดก็อาจแรเห็น คนหูหนวกก็อาจได้ยันก็เพราะคนตาบอดมันก็มีเกิดเก่เก็บตายเหมือนกันคนหูหนวกก็มีเกิดเก่เก็บตายเหมือนกันมันก็ต้องเห็นสิถ Buddha, ูกไหมนั่นมันไปถูกมัน่ธรรมจักรปวัตตโสูตรเทวานัง yep สัพทังสุตตวาส่งขึ้นเทวานังอมลเทวนาสัพทังอัลเสียงสุตตวาก็ส่งขึ้นชั้นอวิหาอชั้นจาตุ่มจารติงสาญามารุสิทธิ์เนมารณิตีปัณณิมิตาสวัสดีพรมวิชชาพรมวโรยิตามหาพรมวปรติตาภาอปมานาภา อาพัตตาปิตาสุภาอปามานาสุภาสุภเกินาค า, า, าอาศันยสตาเวหัพัลลาอวิหาอัตปาปาสุตัสสาสุตติอกานิตาตาตูมิยาเลชาพิสุขาพราะนั้นมีชาติอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นชาติละเอียดก็ทุกตามฐานอันดอนศักของชาตินั่นนะทำไมาชาติเราเป็นทุกขเป็นอิ น, เ ป, นเป็นพมเป็นพระยมพระการเจ้าโลก บ, บาลทั้งสีไม่มีทุกข์รอกพระพุทธเจ้ามานจะบัญญัติไว้ในที่ไหนอ่ะชาติพิทุขาเลยเสมอภาคกันเลยอเหตุฉะนั้นจึงว่า ลักษณะที่มีแก um, ่ส łada, ang ang. ังขารทางปวงแยกไตรลักษณะแก่เป็นสามอย่างหนึ่งอนิจจตาความเม็เที่ยงสองอนุกัณฑตาความเป็นทุกข์สามทุกขตาสองทุกขตาความเป็นทุกข์สาอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ส่วนลักษณะที่มีใช่ไมกันแก่สังขารทางปวงแยกไตรลักษณะแก่เป็นสามอย่างหนึ่งอนิจจตาความของไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความเป็นของไม่ใช่ส่วนคำอาชาติพิทุขาก็ตีหมดเลย เป็นพระอินทร์พระพรหมพระยมพระกาฬจะตัวกกค บ, บาลทั้งสี่ไม่เป็นทุกข์หรอกพระบรมศาสตรามันได้ยืนยันไว้ในที่<น>ได้เลยพระนรพานก็มาลงธรมรมะจิงใครจิงมันอยู่ไม่ได้ยุ่งกันเลยพระนรพานก็ไม่ได้มายุ่งกับกิเลสกิเลสก็ไม่ได้ไปยุ่งกับพระนิพานพระนิพานก็ไม่ได้มายุ่งกับโลกโรกก็ไม่ได้ไปยุ่งกับพระนิาพานจิงใครจริงมันอยู่จริงทางทุกอันหนึง่งอันหนึ่งจริงทางไม่เกยดไม่ดับ รู้ว่าทำเป็นจริงปฏิบัติทำเป็นจริงใครเป็นเจ้าของพระนิพพานใครเป็นกับของสังขารตกลงก็เป็นสัพเพสมะนาตาเหมือนกันถ้าสําคัญตนเราเป็นผู้ไปจองพระนิพพานนั่นอานาจบิดพิมันขอะที่รู้ทุกกระเบียดจึงจับไม่หลงหลงอะไรเราหลงอยู่นี่หลงหนังหุ่มอยู่แล้วว่าเป็นของเที่ยงว่าเป็นของสุขว่าเป็นของส่วตนว่าเป็นของสวยของงามใช่ไหมนะ พระบระมศ า, ส, าสดาก็บอกว่าร่างกายมีของจกกรปกอยู่ในที่นี้มากในสกุลร่างกายเหม็นบูดเหม็นลามากของที่ฉันไม่เหม็นของกระผมไม่เหม็นครับหอมเหมือนห้เป็กเราไปเสียงได้บ่ <c ười> เกิดมาแล้วแก่เก็บตายดิฉันหรืกระผมไม่ได้แก่เจ็บตายพระเจ้าข้าก็เสียงไม่ได้อีกเหมือนกันที่พระบระมศ า, ส, าสดา สอนว่าชาติพิทุกขาตูมเดียวชาติเป็นทุกเน้อถูกมดทั้งพมโโคกพราะมีเกิดอยู่ที่ไหนก็มีทุกอย่น้นชร า, าพิทุกขาตูมเองก็ถูกมดเพราะทั้งตายโรคอาตเพระมีแต่แกชร า, า พ, พิทุกขาความป่วยไข้ก็เป็นทุกตูมลงก็ถูกมดเม่อนำทุกขังความตายก็เป็นทุก ตูมถูกวัดใครจะฟังแล้วไม่ฟังก็ถูกเธอทั้งหลายจงพิจารณาให้ยิ่งสัเดี๋ยวจะไม่ได้มาหลวงเกิดแก่เก็บตายเองพูดไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็มาหาผู้ฟังและผู้บวชทําให้โล ก, กบาลคว้ครองโลกสองอย่างความร้าต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้โลกไม่มีอย่างอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปบาปจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์เอาคําสอนพระพุทธศาสนาบัญญัติเป็นเกณฑ์ พระพุทธศาสนาบัรดาบอว่าสิ่งไหนเป็นบาปก็เป็นบาปจริง๊งสิ่งไหนเป็นบุญก็เป็นบุญริง๊งส่วนน้อยมากแล้วแต่เหตุที่สร้างขึ้นมากหรือน้อยเหตุสร้างบาปมากบาปก็มากสร้างบาปน้อยบาปก็น้อยสร้างบุญมากบุญก็ามากสร้างบุญน้อยบุญก็น้อยไม่ลำเอียงเข่ากับเหตุผลในดเลยพระพุทธศาสนาสอนโลกทรงโตสอนโลกโดยตรงแจ้ ง, งเอ้า ถ้าชาวโลกมีสิยงห้ามบอลลีบูพอลูกเรียนสาก็มีเสียงห้าเลยไม่ใช่แต่บ้าใบเสียแต่เสียงมนุษย์ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีตู้ต่วนก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าเรือนจำก็ไม่ต้องมีรบราฆ่าฟันกันก็ไม่มันต้องมีเครื่องประหาระหารกันก็ไม่ต้องมีลูกระเบิดลูกระเบิดก็ไม่ต้องมีเอมที่หกเอมสาที่สองนิวเคลียร์นิวเคลร์ก็ไม่ต้องมีอวุธวัตถุนิยมก็ไม่ตง นี่แจ็คเกอร์กอด้ากอดแล้วเครื่องดักสัตน้มสัตวบกก็ไม่มีอวุธยุท ธ, ธภัณฑ์ก็ไม่มีเพียงชิน้นทาเท่านั้นล่ะโรคสงบแล้วนะคาสอนของพุทธศาสนาะเี่นจึงจับินาเป็นสิ่ของขตัวปัจจุบนนูไม่ใช่ได้หรอกมานชิ้นท่าตัปัุันนูพระอนาคามี่ใช่ได้หรอกมันชิ้นแปดแล้วมบทติด ไม่เสียดายอยากจะฆ่าสัตวสัตชีวิตนับแต่มดแดงมดแดงไปที่นี่เวรและภัยทั้งหลายก็สงบไปณที่นั่นเองปลดอาวุธทางเวรภัยแล้วแต่ควรอะเวรภัยทางหยบอยาบปลดอาวุธแล้วส่วนพระกัตถาคางก็ละเอียดไปกว่านะั้นส่วนพระนาคทางปลดอาวุธรอบไปนี้อาวุธโกรธก็ไปนี้ก็มีอยู่หลงเล็กนีดด่ นอนเนืองอยู่ในคันธัชคันดาเราก็โกรธพระอนาคามีปวดอ า, าวุธแล้วไม่ใช่ไดอยากเอามาไม่ในดวงจิตเราเพราะมันจะรกจิตทำไมจะไดเอามาโลกโมหะคือความหลงมีอยู่นิดหน่อยนอนเนืองอยู่ในคันธัชคันดาแต่ไม่ถึงกับทําผู้อื่นให้เป็นทุกข์เพราะการมันจะตกพยาบาทจะตกมีหินสามจะตกไม่มีท่าน การมนมีตกความตริตในทางการพาบาลรีูตกความตริตในทางพญาบาตรมีอสามวิตกความตริตในทางเเรยานของพระอนาคามีไม่มีเหตุนั้นท่านขิ้นลมปาณเวลาไหนก็ไปเกิดในอเวัยหาอัตปาฤกษา์กิเลสกานิสกาบางจําพวกก็เกิดในอเวัยหาอัตปาคือจําพวกขั้งต้นตอนนี้ในภาณีพบที่เกิดนั่นเอง สองจาพวกข้างต้นกําหนดด้วยอายุสองจำพวกข้างฝ่ายอายกำหนดโดยควาเร็วประเพทข้างใต้เรื่องเพิ่มไปเกิดควบสูงขึ้นไปจนกว่าจะถึงธนากา ร, ากาากการานิสกะนะครับจ <N un> <N un> นกว่านิจาในครกนั้นพระนาคามิส่วนพระรหันบาปสร้างพอแล้วบาปเล่นพอแล้วบุญก็สร้างพอแล้วเหนือบาปเนื้อบุญมีไปสัก ไม่มีอันใดจะระวังยากจิตใจก็ไม่จะระวางเพราะไมานี้เราปวดหลงจารวังทําไมท่านโคกคนไปแล้วแต่พวกเราไม่ระวังมันก็พิดกินงจี๊ดว่ามันยังไม่พ้นท่านโค้กโค่นไปแล้วท่านไม่ระวังเหมือนนราวินในอากาศไม่ระวังว่ามันจะมีรอยเหมือนนี่เฉืยนน้าไม่ระวังว่ามันจะเป็นแผลเพราะพระอรหันต์ไม่ใช่คนคุมนักโทษ เพราะเราต้องคุมอยู่ไม่คุมไม่ได้เดี๋ยวมันทําอันตรายเราเดี๋ยวมันก็รักหนีอีกทำไมจึงอาบนา้ําเพราะร่างกายมันปกปกทําไมจึงปฏิบัติสินทำรรเพราะจิตใจมันโหดร้ายถ้าล่อโกดหลงมีอยู่ตาบใดการปฏิบัติเพื่อบรรเทาล่อโกดหลงหรือเหื่อแพ้หายไปก็ปฏนเสธไม่ได้เหมือนกันถ้าว่าเกิดแก่เก็บตายมันเป็นทุกข์ต้องเที่ยวในวันตารงสารการปฏิบัติ เพื่อเข้าสู่พระนิพพานไม่ไม่ครับไม่ให้มาเกิดแก่เก็ดตายก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันถ้าหากว่ายอมต่อว่าเราเป็นคนโง่สู้ความหลงไม่ได้ความหลงมาสร้างหารขวาหารเราอยู่ทุกวันนกิเลสมันมาชวนให้เราโลภเราโกรธเราหลงสร้างหารขวาหารเราอยู่เมื่อเราปฏิเสธไม่ได้การปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นไปจากกิเลสทั้งหลายเรานี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันถ้าคิดใจของเรายังโง่ก่อ กว่ากิเลสดูตับได้การปฏิบัติคิดใจเพื่อให้รู้เท่าทันกิเลสก็ปฏิเสธไม่ได้เขาก็ถามทำยังไงเราจึงจะละโลภละโกรดละหลวงได้มันวก็ตอบไปง่ายถ้าเรายังยินดีว่ามันพอใช่พอสออยู่เราก็ละไม่ได้เห็นว่ามันมไม่มีประโยชน์เลยมีจะเอาทุกข์มาให้เราก็ละได้ทุกสิ่งทุกอย่างของมัอนกังถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์อยู่มันก็ละไม่ได้เพราะเขาะ้าใจกิเลสอยู่ มาเห็นตามเปนจริงปฏิบัติตามเนจริงว่าค้นตามเนจริงเราประกอคนได้มาเห็นเราพระโตษะมโหะมันพอใช่พอสออยู่มันก็ไม่อยากละ้าเห็นว่ามันเป็นภัยกับตนมันก็พยายามละเหมือนกันทําไมมันจึงเห็นทำไมมันจึงไม่เห็นก็เพราะบารมีมันแก่กล้ามาแล้วมันก็เห็นสิเพราะบารมีมันยังอ่อนอยู่มันก็ไม่เห็นสิผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาไม่ใช่คนโง่เป็นคนสร้างบารมีแก่ข้ามาบ้างแล้วแต่ก็มีรายชั่นอยู่โรกียะ ศาสนาโลกุตระศาสานาโลกุตระโลกีพระบรมศาสนาไม่นับเข้าคําว่าสุปฏิปโนก็นับเอาแต่พระโวสดิวันเป็นต้นไปเป็นพมรมจัญชนเบื้องต้นของพุทธศาสนาข้างพระพุทธการก็มีพระโวสดิวันเป็นทีวแถวเมืองราชคัก็มีสิบเอ็ดละหุษระหุษหนึ่งก็มี 10, หมื่นหนึ่งสิบเอ็ดลหุษก็เป็นคนตั้งแสนกว่าแสนนึ่งหมื่นสำเน็ตพระโสดิวันทั้งนั้นคารวาะ บรรดิตัวคารมาวสังบัณฑิตเป็นผู้ครองเรือนคือพระโสดาบันเราดีๆนี่เองคนที่ควรเชื่อได้ว่าพื่อเคยในธรรมสามอย่างหรือสองอย่างในอณิยตสองก็คือพระโสดาบันนั่นเองในตระกูลที่สงสมมติเราเป็นเซกะมาวเดโภคต้องปฏิเชยสัญยะก็ดีในปฏิเชยสัญญาสีก็หมายถึงพระโสดาบันเราดีๆนี่ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือพระโสดาบันเราดีนี่เอง เมื่อถึงพระโสดาวันแล้วสกทาคามียาาคามีอาลานาก็เปิดประตูไปในตัวเองบางท่านสําคัญตนมาเป็นพระโสดาบันแต่ว่าเล่นเลขเล่นผาเล่นบัตรเล่นเบอร์อยู่แต่ว่าสินหาไม่มีเลยมันก็พระพระโสดันโสดาวโสขาดคณีถ้ายังไม่ถึงพระโสดาวันก็ปิดอบายพภูมิไม่ได้เวลาตายก็บางทีไปสวรรค์บ้าบางทีก็ไปในรกเราซื้อว่าพวกเราซื้อว่าพวกตนฉลาด จะมีเกลียดห่าบอยู่การชําคัญตัววัชระมันก็โง่พวกเราพระอรหันต์ท่านพ้นไปแล้วท่านเจริญสันตันว่าท่านสลับพ้นไปแล้วจากความหลงทางปูงชนะความหลงของตนเองแล้วชนะกันอยู่ที่เมืองใจเลยไมนใช่ชนะที่อื่นชนะที่อื่นมันมีในทางพุทธศาสนาชนะก็ชนะตนเองจงชนะความเกียดข้านของตนว่าความขยันของตนก็ชนะอยู่ที่นี่จงชนะความ ไม่เพียงของตนด้วความเพียงของตนเชียอในทางที่ชอบเชื่อในชั่วทําดีเป็นคําสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ใจถึงในทางทําดีเป็นคําสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายเราเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเถือเราเป็นผู้มีอิสระในทางทําดีตามสติกําลังของตนถือเราเป็นผู้มีอิสระทางทําชั่วหรือพระพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นเมื่อดูเวลาไหนก็เป็นของใหม่พระพุทธศาสนา ถึงจะเป็นของเก่าเอาสาธโมสันนตโน ก, กตาจะเปิดเวลาไหนก็เป็นของใหม่ๆถ้าเป็นอาหารก็ไม่หูดไม่เน่าถ้าเป็นหนทางก็ไม่รกชัด